แต่หายกขึ้นด้วยอำนาจปฏิสนธิการโดยนัยะเป็นต้นว่าในขณะปฏิสนธิอันเป็นอเหตุกะดังนี้ไม่เพราะฉะนั้นแม้การไม่ตรัสวงและเปิดธรรมที่จะหาได้อยู่วงและปิดในพระอภิธรรมก็แสดงว่าไม่มีนั่นเองเพราะเหตุนั้นสันติรณกิจที่สัตคตด้วยโสมนัสเวทนานั้นจึงไม่มีความเป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิกิต ส่วนการไม่ตรัตทำบางอย่างแม้จะหาได้อยู่ในที่ใดเหตุแห่งการไม่ตรัสในที่นั้นจะมีแจ้งข้างหน้ามโนทวาราวัชนาจิตแม้ที่เป็นไปในอารมณ์ที่เป็นกามาวจรสองหรือสามครั้งย่อมไม่มีชวนาิตเพราะไม่มีการสวยรถแห่งอารมณ์นั้นเพราะเหตุนั้น ท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวว่าอาวัชนทวิยวัชิตานี้ดังนี้ก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้ในอัตกถาพระอัตกถาจารย์จึงกล่าวว่าดำรงอยู่ในฐานะเป็นเชวนกิจเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ก็พึงต้องกล่าวว่าเป็นจวนาะบทว่ากุศลากุศละ ภารกุริยาจิตตานิได้แก่กุศลจิตฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโลกุตระยี่สิบเอ็ดดวงอกุศลจิตสิบสองดวงโลกุตระผละจิตสี่ดวงกิริยาจิตที่เกิดในภูมิสามสิบแปดดวงความจริงโลกุตระมรคจิตเป็นต้นแม้มีขณะจิตเดียวก็ชื่อว่าชาวนาิจิตเพราะมีสภาวะเช่นนั้น เปรียบเสมือนพระสัพพัญญุตยานแม้มีอารมณ์ทีละอย่างเป็นอารมณ์ก็ยังไม่ละชื่อว่าพระสัพพัญญุตยา น, นั้นในการบางคราวเพราะประกอบไปด้วยความสามารถในอันรู้ชัดอารมณ์ทั้งสิ้นแล ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะประมวลแสดงจิตทั้งหลายที่กล่าวแล้วโดยความต่างแห่งกิจนั่นแลด้วยอำนาจจำนวนกิจที่ได้อยู่ตามสมควรแก่ตนดังพันานามาชนีจึงกล่าวคำว่าเตสุปนะดังนี้เป็นต้นมีวาจาประกอบความว่า จิตตุบาททั้งหลายมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นบัณฑิตประกาศแล้วโดยความต่างกันแห่งนามและกิจคือโดยความต่างแห่งนามทั้งหลายที่ชื่อว่าปฏิสนธิเป็นต้นและกิจทั้งหลายมีปฏิสนธิกิจเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งจิตตุบาทชื่อว่ามีปฏิสนธิเป็นต้นคือมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นนั้นเป็นชื่อ บันดิตประกาศแล้วว่ามี14ประการโดยความต่างแห่งกิจมีปฏิสนธิจิจเป็นต้นประกาศว่ามี10ประการโดยความต่างแห่งฐานคือโดยประเภทแห่งฐานทั้งหลายมีปฏิสนธิฐานเป็นต้นนั่นแลเชื่อมความว่าบัณฑิตพึงแสดงจิตที่มีกิจหนึ่งและมีฐานหนึ่งว่ามี68ดวง จิตที่มีกิตสองและมีฐานสองว่ามีสองดวงจิตที่มีกิตสามและมีฐานสามว่ามี9ดวงจิตที่มีกิตสี่และมีฐานสี่ว่ามีแปดดวงจิตที่มีกิตห้าและมีฐานห้าว่ามีสองดวงตามลำดับการรวบรวมทวารทั้งหลายและจิต ที่เป็นไปในทวารทั้งหลายด้วยอำนาจการกำหนดชื่อว่าทวารสังหะธรรมชาติเหล่าใดเป็นดูดประตูเพราะเป็นทางเป็นปลายแห่งอรูปธรรม ท, ทั้งหลายมีอาวัชนะจิตเป็นต้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าทวารบทว่าจักขุมเมวะได้แก่จักขุปภาษาทรูปนั่นเองทวารแห่งใจทั้งหลายมีอาวัชนะจิตเป็นต้น หรือว่าทวารคือใจเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามโนทวารบทว่าผวังคังได้แก่ผวังขจิตที่เกิดขึ้นในลำดับก่อนอาวัชนจิตเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าก็ผวังขจิตพร้อมอาวัชนจิตบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่ามโนทวารบทว่าตัดถะเป็นต้น เชื่อมความว่าบรรดาทวารมีจกักรุทวารเป็นต้นเหล่านั้นในจกักรุทวารจิตสี่สิบหกดวงย่อมเกิดขึ้นได้ตามสมควรจิตสี่สิบหกดวงคือปัญจทวาราวชนาจิตหนึ่งดวงจิตเจ็ดวงคือวิบา ก, กจิตทั้งสองฝ่ายมีจักรุวิ ญ, ญญาณจิตเป็นต้นวัฏถพนจิตหนึ่งดวงกามาวจรโชนาจิตยี่สิบเก้าดว ง, ววดวงคือกุศลโชนาจิตในวงเล็บแปดวง อากูสนโชนจิตในวงเล็บสิบสองดวงกามาวจรกิริยาจิตเว้นอาวชนะจิตเสียในวงเล็บสองดวงในวงเล็บเหลือเก้าดวงและตถาลําพนาจิตเพียงแปดดวงเท่านั้นโดยระบุถึงตถาลําพนาจิตที่ยังมิได้ระบุถึงบทว่ายาถารังได้แก่ด้วยอํานาจสมควรแก่อารมณ์มีอิทธารมเป็นต้นโยนิสโอมนัสิการ อโยนิสโสมนสิการและแก่ภูมิและบุคคลที่มีสันดานปราศจากอนุัยเป็นต้นบทว่าสัพพาปิเป็นต้นมีวาจาประกอบความว่าจิตห้าสิบสี่ดวงโดยประการที่มีอาวัชนะจิตเป็นต้นมีตถาลัพนาจิตเป็นที่สุดแม้ทั้งปวงพึงทราบว่าล้วนเป็นกามาวจรจิตอีกอย่างหนึ่งเชื่อมความว่า จิตห้าสิบสี่ดวงแม้โดยประการทั้งปวงเป็นกามาวจรจิตอธิบายความว่าจิตทั้งหลายที่ดำรงอยู่ด้วยอำนาจจิตที่เกิดทางทวารนั้นนั้ น, น, นแม้โดยประการทั้งปวงย่อมมีห้าสบสี่ดวงโดยเพิ่มจิตสี่คู่มีโสตวิญญาณจิตเป็นต้นเข้าในจิต4ี่สิดวงที่เกิดทางจากักุทวารโดยระบุถึงจิต ที่ยังมิได้ระบุถึงจิตสิบเก้าดวงที่เป็นไปด้วยอำนาจจิตมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นชื่อว่าจิตที่พ้นจากทวารเพราะไม่เป็นไปในทวารมีจักขุทวารเป็นต้นและเพราะไม่เป็นไปด้วยอำนาจรับอารมณ์อื่นจากพวังคจิตกล่าวคือมะโนโทวารจิตสามสิบหกดวงคือปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงชื่อว่า จิตเกิดทางทวารเดียวเพราะเกิดขึ้นในทวารของตนของตนตามสมควรคือตามสมควรแก่ทวารของตนของตนและคือมหาคติชาวนจิตและโลกุตระชาวนจิตยี่สิหกดวงชื่อว่าจิตเกิดทางทวารเดียวเพราะเกิดขึ้นในมโนทวารเท่านั้นสันติรณจิตที่สระโคดด้วยอุเบคาเวทนานวงเล็บสองดวง และมหาวิบากจิตในวงเล็บแปดดวงชื่อว่าจิตเกิดทางทวารหกเพราะเป็นไปในทวารห้าด้วยอำนาจสันติรณกิจและตถาลัมพนกิจและเพราะเป็นไปในมโนทวารด้วยอำนาจตถาลัมพนกิจและชื่อว่าจิตพ้นจากทวารเพราะเป็นไปด้วยอำนาจกิตมีปฏิสนธิกิจเป็นตน้นบัณฑิต พึงเห็นสรูปเปกเสสะสมาดซึ่งมีสับเป็นเครื่องปรากฏอยู่สับเดียวว่าจิตเกิดทางทวารห้าและจิตเกิดทางทวารหกเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าปัญจฉัตรวาริกะจิตเหล่านั้นเกิดทางทวารหกและบางคราวก็พ้นจากทวารเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าฉัตรทวาริกะวินิมุตต์อีกอย่างหนึ่ง จิตเกิดทางทวารหกและพ้นจากจิตที่เกิดทางทวารหกชื่อว่าฉัตทวาริกะวินิมุตตะการรูปรวมอารมณ์ทั้งหลายโดยรวบยอดโดยวิภาคและโดยจิตที่มีอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นนั้ น, น, นเป็นอารมณ์ชื่อว่าอารมณ์ะสังหะอารมณ์ที่ชื่อว่ารูเพราะอจวิเควราะว่าถึงอาการต่างๆแห่งสี เปิดเผยคือประกาศภาวะที่อยู่ในหะไทยรูปนั่นแหลชื่อว่าอารมนะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอันจิตและเจตสิกอาศัยดุดคนทุกผลภาพอาศัยไม้เท้าเป็นต้นฉะนั้นหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่มายินดีแห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นอารมณ์คือรูปชื่อว่ารูปารมณ์ อารมณ์ชื่อว่าสัท ธ, ธาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอันบุคคลเปล่งคือกล่าวอารมณ์คือสัท ธ, ธานั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสรัทธารมอารมณ์ชื่อว่าคันธาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าฟุ้งไปคือชี้วัตถุของตนได้แก่เป็นดุลทำการสื่อข่าวว่าอารมณ์นี้มีอยู่ในที่นี้อารมณ์คือคันธานั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าคันธารณ์ อารมณ์ชื่อว่ารสะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่มายินดีคือพอใจแห่งเหล่าสัตว์อารมณ์คือรสะนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ารสารมณ์อารมณ์ชื่อว่าโผฏฐพะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอันเหล่าสัตว์ถูกกล้องได้อารมณ์คือโผฏฐพะนั้นชื่อว่าโผฏภารมณ์อารมณ์คือธรรมชื่อว่าธรรมารมณ์ บทว่าตัฏฐะได้แก่บรรดาอารมณ์เหล่านั้นชื่อว่ารูปนั่นแหละได้แก่รูปกล่าวคือรู ป, ปายตนะนั่นเองชื่อว่าสัทธารมณ์เป็นต้นได้แก่โคจรรูปมีสัท ธ, ธาเป็นต้นกล่าวคือสัท ธ, ธายตนะเป็นต้นและผูตรพายตนะกล่าวคือผูต ร, รูปสามเว้นอาโปธาต์รูปสิบหกประการที่เหลือเว้นโคจรรูป และปะสาธรูปชื่อว่าสุขุมรูปบทว่าปัจจุ ป, ปั น, นังได้แก่กําลังเป็นไปอยู่บทว่าชาพิธมปิได้แก่แม้อารมณหกคือรูปารมณ์เป็นต้นนิพพานและปัญญัติชื่อว่าเป็นอารมณ์ที่พ้นจากการเพราะเป็นธรรมชาติอันไกลๆพึงกล่าวไม่ได้ด้วยอํานาจอดีตการเป็นต้นเพราะไม่มีความพินาศ บทว่ายะดารหังได้แก่โดยสมควรแก่กามาวจรชวนาจิตอภิญญาชวนจิตและมหากตาชวนจิตที่เหลือเป็นต้นความจริงอารมณ์แม้ทั้งหกเป็นไปในการสามและพ้นจากการเป็นอารมณ์ของกามาวจรชวนาจิตที่เว้นหสิตุปาทจิตอารมณ์หกที่เป็นไปในการสามเท่านั้นเป็นอารมณ์ของหสิตุปาทจิตจริงอย่างนั้น ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จักกล่าวว่าฮัสิตุปาทจิตนั้นมีอารมณ์ที่เป็นกามาวจรโดยส่วนเดียวเป็นอารมณ์ส่วนอภิญยาชวนจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจทิพยะจักษุเป็นต้นมีอารมณ์ทั้งหกที่เป็นไปในการสามและพ้นจากการเป็นอารมณ์ตามสมควร ส่วนวิภาคในอภิญญาชวนจิตนี้จากปรากฏในปริเฉต ท, ที่เก้าแลส่วนมหาคตาจิตที่เหลือมีอารมณ์ที่พ้นจากการและที่เป็นอดีตเป็นอารมณ์ตามสมควรเชื่อมความว่าอารมณ์แม้ทั้งหย่อมเป็นอารมณ์ของจิตทั้งหลายกล่าวคือปฏิสนธิจิตผะวังคจิตและจุติจิตที่พ้นจากทวาร ก็อารมณ์นั้นอันจิตบางดวงยังไม่ได้รับมาเลยจะถึงความเป็นอารมณ์แก่จิตที่พ้นจากทวารเหล่านั้นดูดอารมณ์ของอาวชนาจิตหาได้ไม่และจะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยสุนเดียวดูดอารมณ์ของชวนะจิตที่เกิดทางทวารห้าก็หาไม่ได้ ทั้งจะเป็นไปในการสามเท่านั้นหรือพ้นจากการโดยไม่แปล ก, กันดุดอารมณ์ของชวนจิตที่เกิดทางมโนทวารก็ไม่ได้ทั้งจะเป็นอารมณ์ที่พ้นจากบัญญัติซึ่งสําเร็จด้วยกรรมเป็นที่มายินดีแห่งผลด้วยอํานาจกรรมและกรรมมณิมิตเป็นต้นดุดอารมณ์ของชวนจิตที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้น ก่อนแต่ในเวลาใกล้าตายก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่ายะถาสัมภวังเปส ม, มตังดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายะถาสัมภวังความว่าโดยสมควรแก่ความเกิดมีแห่งปฏิสนธิจิตพวังคจิตและจุติจิตที่เกิดในภูมินั้ น, น, น ด้วยอำนาจอารมณ์ที่ชวนาจิตรับมาทางทวาร น, นั้นๆเป็นต้นความจริงอันดับแรกปฏิสนธิจิตและผวังคจิตอันเป็นฝ่ายกามาวจรมีอารมณ์หมีรูปารมณ์เป็นต้นที่ชวนาจิตรับมาทางทวารหกเป็นปัจจุบันและเป็นอดีตตามสมควรที่สมมุติว่าเป็นกรรมและกรรมณมณิมิตเป็นอารมณ์ จ, จุติจิตอันเป็นฝ่ายกามาวจรก็เหมือนกันคือมีอารมณ์ห้ามีรูปารมณ์เป็นต้นที่ชวนะจิตรับมาทางทวารหกเฉพาะที่เป็นอดีตเท่านั้นที่สมมุติว่าเป็นกรรมและกรรมมณิมิตเป็นอารมณ์ส่วนธรร ม, มารมณ์เฉพาะที่ชวนาจิตรับมาทางมโนทวารเท่านั้นที่เป็นอดีต ท, ที่สมมุติว่าเป็นกรรมและกรรมมณิมิต เป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตผวังคจิตและจุติจิตแม้ทั้งสามประเภทเหล่านั้นรูปอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นที่ชวนาจิตรับมาทางมโนทวารที่เป็นปัจจุบันส่วนเดียวที่สมมุติว่าเป็นคตินิมิตก็เหมือนกันคือเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตผวังคจิตและจุติจิตแม้ทั้งสามประเภทเหล่านั้น รวมความดังกล่าวมานี้อารมณ์ห้ามีรูปารมณ์เป็นต้นที่ชวนาจิตรับมาทางทวารหกกรามที่เกิดมีได้ที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตที่สมมุติว่าเป็นกรรมกรร ม, มนิมิตและคตินิมิตเป็นอารมณ์ของจิตสามประเภทมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นอันเป็นฝ่ายกามาวจร ส่วนบรรดาจิตสามประเภทมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นอันเป็นฝ่ายมหากระตาปฏิสนธิจิตผวังค้าจิตและจุติจิตอันเป็นฝ่ายรูปาวจรและอันเป็นฝ่ายอะรูปาวจรดวงที่หนึ่งกับดวงที่สามมีเฉพาะธรรมารมณ์เท่านั้นที่ชาวนาจิต ร, รับมาทางมโนทวานที่เป็นบัญญัติธรรมที่สมมุติว่าเป็นกรรมนิมิตเป็นอารมณ์ ปฏิสนธิจิตะวังขจิตและจุติจิตอันเป็นฝ่ายอารูปวจรดวงที่สองกับดวงที่สี่ก็เหมือนกันคือมีเฉพาะธรรมารมณ์เท่านั้นที่เชวนะจิตรับมาทางมโนทวารที่เป็นบัญญัติธรรมที่สมมติว่าเป็นกรรมมนิมิตเฉพาะที่เป็นอดีตเท่านั้นเป็นอารมณ์รวมความดังกล่าวมานี้ปฏิสนธิจิตผวังคจิตและจุติจิตอันเป็นฝ่ายมหกระตะ มีธรรมอารมณ์ที่ชวนาจิต ร, รับมาทางมโนทวารที่เป็นบัญญัติธรรมหรือที่เป็นอดีตเฉพาะที่สมมุติว่าเป็นกรรมนิมิตรเท่านั้นเป็นอารมณ์ข้อว่าเยภุยเยนะวันเตเรชัตทวารักะหิตังความว่าอารมณ์แม้ทั้งหกที่ชวนาจิตเกิดทางทวารหกที่เป็นไปในเวลาใกล้าตายรับมาแล้ว ในภพอันเป็นลำดับติดต่อกันจากอดีตภพโดยมากความจริงอารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตของเราศาสตร์ผู้จุติจากอสัญญีภพอันทวารอะไรอะไรจะรับมาในอดีตภพอันเป็นลำดับติดต่อกันหาได้ไหม เพราะเหตุนั้นอารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวให้แปลกออกไปด้วยเวยภุยศัพท์ในคำว่าเยพุยเยนะพวันตตเรฉัตทวารักขหิตังนี้ความจริงอารมณ์มีกรรมนิมิตเป็นต้นย่อมปรากฏแก่ปฏิสนธิจิตของอสัญญีสัตว์เหล่านั้นได้ด้วยกำลังกรรมล้วนๆเท่านั้น จิงอย่างนั้นในคมพีสัจสังเขปท่านธรรมปาลาจารถามถึงนิมิตแห่งปฏิสนธิจิตของสัตว์ผู้จุติจากอสัญญีพบแล้วกล่าวความปรากฏแห่งอารมณ์ของปฏิสนธิจิตด้วยกำลังกรรมล้วนๆเท่านั้นว่ากรรมใดที่สัตว์กระทาแล้วในภพอื่นพึงได้โอกาสเพราะกรรมนั้นปฏิสนธิจิตนั้นย่อมเกิดมีได้ในอารมณ์อันกรรมนั้นนั่นแหละ ให้ปรากฏแล้วดังนี้ความจริงเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้เพราะอารมณ์แม้ที่ชาวนาจิตรับมาแล้วอันกำลังกรรมนั่นเองให้ปรากฏได้อยู่คำที่มีบทอวัธณะในคำว่าเตในวะนี้ก็พึงต้องไร้ความหมายแล ถามว่าก็อารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตแม้ของอสัญญีสัตว์เหล่านั้นอันทวารอะไรอะไรรับมาแล้วในกรรมมาพย่อมเกิดมีได้มิใช่หรือตอบว่าคําที่ท่านกล่าวแล้วนี้เป็นความจริงอารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตของอสัญญีสัตว์เหล่านั้นที่สมมุติว่าเป็นกรรมและกรรมนิมิตย่อมเกิดมีได้ส่วนอารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตที่สมมติว่าเป็นคตินิมิต ย่อมปรากฏแก่สัตว์แม้ทุกจำพวกเฉพาะเวลาใกล้ตายเท่านั้นเพราะเหตุนั้นการจะรับกตินิมิตนั้นในกรรมภพจะเกิดมีได้แต่ที่ไหนอันหนึ่งในอธิการนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวว่าชัตวารักหิตังดังนี้หมายถึงเฉพาะอารมณ์ที่ชวนาจิตซึ่งเป็นไปในเวลาใกล้ตายรับมาแล้วเท่านั้น ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมานี้ท่านอาจารย์จึงกล่าวไว้ในประกรณ์ปรมัติวินิชัยในอธิการนี้นั่นแหละว่าปฏิสนธิจิตปรารบถึงอารมณ์ตามที่ปรากฏในทวารหกแก่สัตว์ผู้ใกล้ตายนั้นย่อมเกิดมีในภพอื่นได้ดังนี้ ด้วยคำว่าปัจจุ ป, ปันนางดังนี้เป็นต้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ย่อมห้ามว่าอารมณหกที่เป็นอนาคตเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตได้ความจริงอารมณหกที่เป็นอนาคตนั้นอันปฏิสนธิจิตจะสวยได้เหมือนกับกรรมและกรรมมนิมิตที่เป็นอดีตหาได้ไม่ ทั้งจะมาปรากฏได้เหมือนกับกรรมนิมิตและคตินิมิตที่เป็นปัจจุบันก็หาได้ไม่แล้ก็ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จากกล่าวสภาวะแห่งกรรมและกรรมนิมิตเป็นต้นเองทีเดียวบทว่าเตสุได้แก่บรรดาวิญญาณจิตที่มีอารมมีรูปารมณ์เป็นต้นมีอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นต้นและที่มีอารมณ์มีกรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์ อารมณ์แต่ละอย่างบรรดารูปารมณ์เป็นต้นเป็นอารมณ์ของปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายเหล่านี้เพราะเหตุนั้นปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายเหล่านั้นชื่อว่ามีอารมณ์แต่ละอย่างมีรูปารมณ์เป็นต้นเป็นอารมณ์ อารมณ์แม้ทั้งห้ามีรูปารมณ์เป็นต้นเป็นอารมณ์ของมโนท่าจิตสาดวงนี้เพราะเหตุนั้นมโนท่าจิตสดวงนั้นชื่อว่ามีอารมณ์ห้มีรูปารมณ์เป็นต้นเป็นอารมณ์บทว่าเสา น, นิความว่ากามาวจรวิบากาจิตสิดวงที่เหลือจากปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายวงเล็บเปิด10ดวงวงเล็บปิดและสัมปติช น, นจิตในวงเล็บสองดวง พ่อว่าสัพพทาปิกามาวจราลรำพนาณิความว่ากามาวจรวิบากจิตที่เหลือและอาศิตุปาทจิตว่าแม้โดยประการทั้งปวงคือแม้ที่บังเกิดแล้วโดยอาการที่เป็นไปด้วยอำนาจจิตที่เกิดทางทวารหกจิตที่พ้นจากทวารหกและจิตที่มีอารมณหกย่อมมีอารมณหกซึ่งมีสภาวะเป็นกามาวจรส่วนเดียวเป็นอารมณ์ ขวามจริงในบรรดากามาวจรวิบา ก, กจิตในวงเล็บสิบเอ็ดดวงและหาสิตุปาทจิตในวงเล็บหนึ่งดวงนี้อันดับแรกกามาวจรวิบา ก, กจิตย่อมเป็นไปในอารมห้ามีรูปารมณ์เป็นต้นด้วยอำนาจกิจมีสันติระนากิจเป็นต้นย่อมเป็นไปเฉพาะในอารมณ์ที่เป็นกามาวจรกล่าวคืออารมณหกด้วยอำนาจกิจมีปฏิสนธิกิจเป็นต้น แม้หาสิตุปาธจิตก็เป็นไปในอารมหกเฉพาะที่นับเนื่องในการมาวจจรธรรมอย่างนี้คือเป็นไปในรูปารมแก่พระขีณาสพผู้พบสถานที่อันเหมาะสมแก่การบำเพ็ญเพียรแล้วยินดีอยู่เป็นไปในศรัทธารมแก่พระขีณาสพผู้ได้ยินเสียงอึกะทึกในที่แจกของแล้วคิดว่าเราละตัณหาคือความโลภจัดเห็นปานนี้ได้แล้วยินดีอยู่ เป็นไปในคันธารลมแก่พระคีนาศพผู้ยินดีในเวลาที่บูชาพระเจดีย์ด้วยของหอมเป็นต้นเป็นไปในรสารมแก่พระคีนาศพผู้ยินดีในการแบ่งบินธบาต ท, ที่มีรสอร่อยกับเพื่อนสภรมมจารีทั้งหลายแล้วฉันเป็นไปในโพธภารมมแก่พระคีนาศพผู้ยินดีในเวลาบำเพ็ญอภิสมาจาริกวัตร เป็นไปในธรรมารมแก่พระกินาสบผู้ปรารพถึงกามาวาจรธรรมที่ตนกำหนดแล้วด้วยปุเพนิวาสยานเป็นต้นแล้วยินดีอยู่ท่านพระอนุรุทธาาจารย์ใส่ใจว่าจิตยี่สิบดวงคืออกุศลชวนจิตสิบสองดวงและชวนจิตที่เป็นยาณวิปยุทธแปดดวงวงเล็บเปิดกามาวาจรโสผลนจิตวงเล็บปิด ย่อมไม่สามารถจะยึดโลกุตระ ธ, ธรรมเป็นไปได้เพราะความที่ตนมีอนุภาพน้อยเพราะเหตุนั้นจิตยี่สิบดวงเหล่านั้นจึงเว้นโลกุตระธร ร, รมเก้าประการเสียแล้วยึดอารมณ์ที่เป็นไปในภูมิสามและบัญญัติธรรมเป็นไปดังนี้จึงกล่าวคำว่าอากูสลานิเจวะดังนี้เป็นต้นพึงเห็นความตกลงใจว่า ความจริงในจิตยี่สิบดวงเหล่านี้จิตุบาที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสี่ดวงฝ่ายอากุศลมีกามาวาจรธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่ยึดกามาวาจรธรรมถูกต้องยินดีและเพลดิดเพลินมีมหาคตธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่ยึดมหาคตธรรมยี่สิบเจ็ดเป็นไปโดยอาการนั้นนั่นเอง มีบัญญัติธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่ยึดสมมุติธรรมเป็นไปแม้จิตุบาที่เป็นทิฏฐิวิปยุต์ก็มีการมาวาจรธรรมมหาคตธรรมและบัญญัติธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาเป็นไปด้วยอำนาจยึดธรรมเหล่านั้นนั่นแลยินดีและความเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่จิตุบาที่สัมพยุตด้วยปฏิฆะ มีกามาวจรธรรมมหาคตธรรมและบัญญัตธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่เป็นไปด้วยอำนาจการประทุษร้ายและความเดือดร้อนใจจิตุบา ท, ที่สระคตด้วยวิจิกิจามีกามาวจ ร, รธรรมมหาัตธรรมและบัญญัตธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่เป็นไปด้วยอำนาจไม่ถึงความตกลงใจ จิตุบาที่สระโคดด้วยอุทจะมีกามาวจรธรรมมากต่ธรรมและบัญญัตธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่เป็นไปด้วยอำนาจความฟุ้งซ่านและด้วยอำนาจความไม่สงบ กิจุบาตที่เป็นญาณวิปยุทธแปดวงคือฝ่ายกุศลจิตสี่ดวงฝ่ายกิริยาจิตสี่ดวงมีกามาวจรธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่ยึดกามาวจรธรรมเป็นไปในกิจมีการให้การพิจารณาและการฟังธรรมโดยไม่เคารพเป็นต้นของพระเศรษบุคคลปุถุชนและพระขีณาสพ มีมหากตธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่พิจารณาฌานที่ชำนาญยิ่งมีบัญญัติธรรมเป็นอารมณ์ในเวลาที่บริกรรมในกสินนิมิตเป็นต้นเป็นอาธิดังนี้จิตห้าดวงเหล่านี้คือกามาวาจรกุศ ล, ลจิตที่เป็นญาณสัมปยุตวในวงเล็บสี่ดวง และอภิญญากุศลจิตวงละเปิดปัญจมะฌานกุศลลจิตหนึ่งดวงวงละปิดชื่อว่ามีอารมณ์เว้นอรหัตตะมคจิตและอรัตผ ล, ลจิตเป็นอารมณ์เพราะเป็นไปเฉพาะในสันดานของพระเศขบุคคลและปุถุชนทั้งหลายเท่านั้นขวามจริง แม้พระเสขบุคคลทั้งหลายก็ย่อมไม่อาจรู้จิตที่เกิดเฉพาะบุคคลกล่าวคืออรหัตตมรคจิตและอรหัตตผ ล, ลจิตเว้นโลกิยจิตเสียเพราะตนยังมิได้บรรลุแม้บุคคลทั้งหลายมีปุถุชนเป็นต้นก็เหมือนกันคือย่อมไม่สามารถรู้มัคคิตและผ ล, ละจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น แต่ในการพิจารณามรรคและผลของตนในการบริกรรมอภินยาซึ่งมีมรรคจิตและผ ล, ละจิตที่อยู่ในสันดานของผู้อื่นเป็นอารมณ์ในการกำหนดมรรคจิตและผ ล, ละจิตด้วยจิตที่สัมพยุด้วยอภินยานั่นแหลกุศลชูนจิตทั้งหลายปรารบธรรมคือมรรคและผลของตนของตน ของพระเศคารุคคลทั้งหลายผู้เสมอกันและของพระเศขบุคลทั้งหลายผู้ต่ำกว่าเป็นไปย่อมมีแก่พระเศขบุคคลทั้งหลายได้เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงทําการห้ามเฉพาะอารหัตตะมัคจิตและอรหัตตผลและจิตเท่านั้น ส่วนในการให้การพิจารณาการฟังธรรมการพิจารณาสังขารธรรมและการบริกรรมกสินที่ทำด้วยความเคารพเป็นต้นแห่งพระเศขบุคคลและปุถุชนทั้งหลายในการบริกรรมแห่งอภิญญาซึ่งเป็นไปในอารมณ์นั้นๆในการแห่งโคตรภูจิตและโวทานจิต และในการที่รู้แจ้งรูปด้วยทิพยาจักขุยานเป็นต้นเป็นอาทิกามาวจรจิตมหาคตาจิตบัญญัติธรรมและนิพพานย่อมถึงความเป็นอารมณ์แก่กุศลชวนาจิตทั้งหลายได้ข้อว่าสัพพทาปิสัพพารำพนาณิความว่าจิตหกดวงเหล่านี้คือกามาวจรเกียริยาจิตที่เป็นยาณสัมปยุตสี่ดวง อภิญญากิริยาจิตวงเล็บเปิดปัญจมาชานกิริยาจิตหนึ่งดวงวงเล็บปิดและโวตถวนาจิตวงเล็บเปิดมโนทวาราวชนะจิตหนึ่งดวงวงเล็บปิดมีอารมณ์ทั้งปวงเป็นอารมณ์ด้วยอำหน้ากามาวจรจิตมหาคตาจิตโลกุตระจิตทั้งปวงและบัญญัติธรรมชื่อว่าโดยประการทั้งปวงอธิบายความว่า แต่จะมีอารมณ์ทั้งปวงเฉพาะส่วนเป็นอารมณ์ดุจอกุศลจิตเป็นต้นก็หามิได้ความจริงในเวลาที่กิริยาชวนาจิตทั้งหลายเป็นไปด้วยอํานาจพระสัพพัญญุตยานเป็นต้นและในเวลาที่โวตถวนาจิตวงเลเปิดมโนทวาราวชนะจิตวงเลปิดเป็นไปด้วยอํานาจมีกิริยาชวนะจิตนั้นนําหน้า อารมณ์อะไรอะไรชื่อว่าเป็นอารมณ์ไม่ได้ไม่มีบรรดาอารูปาวจรจิตทั้งหลายอารูปาวจรจิตดวงที่สองและอารูปาวจรจิตดวงที่สี่ชื่อว่ามีมหคัตจิตเป็นอารมณ์เพราะอารูปาวจรจิตดวงที่สองมีอารูปาวจรจิตดวงที่หนึ่งเป็นอารมณ์ และอรูปาวจรจิตดวงที่สี่มีอรูปาวจรจิตดวงที่สามเป็นอารมณ์ข้อว่าเสสานิเปลมพนานิความว่ามหาคตาจิต21ดวงคือรูปาวจรจิต15บห้าดวงและอรูปาวจรจิตที่หนึ่งในวงเล็บสมดวงและอรูปาวจรจิตที่สมในวงเล็บสามดวงชื่อว่ามีบัญญัติธรรมเป็นอารมณ์ เพราะเป็นไปในบัญญัติธรรมมีกสินเป็นต้นจิตยี่สิบห้าดวงคือกามาวจรวิบา ก, กจิตยี่สิบสามดวงปัญจทวาราวัชนะจิตในวงเล็บหนึ่งดวงและหาสิทุปาทจิตในวงเล็บหนึ่งดวงย่อมเกิดมีในอารมณ์ที่เป็นปริตะคือในอารมณ์ที่เป็นกามาวจรเท่านั้นความจรงิงอารมณ์ที่เป็นกามาวจรชื่อว่าปริตะเพราะอาจควิเคราะห์ว่า เป็นดุดถูกถือเอาคือถูกแบ่งออกโดยรอบโดยมีอนุภาพน้อยเพราะเปรียบเทียบมหากระตธรรมเป็นต้นด้วยคำว่าจิตหกดวงย่อมเกิดมีเฉพาะในอารมณ์ที่เป็นมหากตธรรมเท่านั้นดังนี้เป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นการประกอบความที่มีบทอวทารณะในทุกบทมีบทว่าเอกวีสติเป็นต้น การรวบรวมจิตโดยการจำแนกวัตถุและด้วยอำนาจการกำหนดจิตที่มีจักขรวัตถุเป็นต้นนั้นเป็นที่อาศัยเกิดชื่อว่าวัตถุสังขะธรรมชาติที่ชื่อว่าวัตถุเพราะอธิวิเคราะห์ว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายเพราะมีจักขรวัตถุเป็นต้นนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ ในโลกที่เป็นกามาวจรชื่อว่าย่อมหาวัตถุทั้งหลายได้แม้ทั้งหมดเพราะสัตว์ที่มีอินทรีย์บริบูรณ์หาได้แน่นอนในโลกที่เป็นกามาวจรนั่นแหลก็ปีสับในคำว่าสัพพานิปินี้ท่านพระอนุรุธทธาจารย์แสดงว่าวัตถุบางอย่างมีจกักรวัตถุเป็นต้นไม่เกิดมีด้วยอำนาจสัตว์ผู้พิการมีตาบอดและหูหนวกเป็นต้น วัตถุสามประการมีคานะวัตถุเป็นต้นชื่อว่าย่อมไม่มีวงเล็บเปิดในโลกที่เป็นรูปราวจรวงเล็บปิดเพราะพวกพรหมเป็นผู้มีความคลายกำหนัดแม้ในประสาทที่มีกลิ่นรสและผ o t h พะนั้นเป็นอารมณ์เหตุที่พวกพรหมเป็นผู้คลายกำหนัดแล้วในกลิ่นรสและผ o t h พะทั้งหลายด้วยอานาจ ภาวนาเป็นเครื่องสำรอกกามส่วนวัตถุสองประการมีจักขุวัตถุเป็นต้นซึ่งมีประโยชน์สำหรับเห็นพระพุทธเจ้าและฟังธรรมเป็นต้นย่อมหาได้แน่นอนในโลกที่เป็นรูปาวจร น, นั้นเพราะพวกปรมยังไม่เบื่อหน่ายในจักขุวัตถุและโสตะวัตถุทั้งหลาย ในโลกที่เป็นอรูป ว, รวัจรวัตถุหกประการทั้งปวงชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะในโลกที่เป็นอรูปวัจรนั้นความเป็นไปแห่งรูปไม่มีแก่พวกอรูปพระมโดยประการทั้งปวงด้วยกำลังภาวนาเป็นเครื่องสำรอกรูปธรรมชาติที่ชื่อว่าธาตุเพราะอัถวิเคราะห์ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะคือปัญจวิญญาณจิต เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญจวิญญาณธาตุจิตธาตุอันเป็นเพียงความรู้ชื่อว่ามโนธาตุจิตธรรมชาติที่ชื่อว่าธาตุเพราะอัจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะชื่อว่าวิญญาณเพราะประกอบด้วยหน้าที่คือความรู้แจ้งอย่างประเสริฐสุดคือใจเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุจิต อีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุจิตเพราะอัตวิเคราะห์ว่าถ้าอันเป็นเพียงความรู้แจ้งแห่งใจความจริงมโนวิญญาณธาตุจิตนั้นเกิดแต่ใจอันเป็นอนันตระปัจจัยนั่นเองแล้วเป็นปัจจัยแก่ใจนั่นแหละเพราะเหตุนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับใจเชื่อมความว่าทำสามสิบประการกล่าวคือมโนวิญญาณธาตุจิต ซึ่งเหลือจากโมท่าจิตและปัญจอุญญาณท่าจิตตามที่กล่าวแล้วที่เป็นไปคือสันติระจิตสดวงมหาวิบากจิต8ดวงโทสะมูลจิตสองดวงโสดาปฏิมาคจิตในวงเล็บหนึ่งดวงฮาสีตุปาทจิตในวงเล็บหนึ่งดวงและรูปาวจรจิตส5บห้าดวงย่อมอาศัยฮาไทยวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปเหมือนอย่างโมท่าจิตนั่นแหละ ก็หามิได้ความจริงสันติรณจิตและมหาวิบากจิตสิบเอ็ดดวงย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกที่เป็นอรูปาวจรเพราะไม่มีทวารและเพราะไม่มีหน้าที่เพราะปฏิค้าที่กำหนดว่าไม่เป็นนิวรณ์ไม่มีจิตสองดวงที่สรคตด้วยปฏิค้านั้น จึงไม่มีแม้ในโลกที่เป็นรูปราวจรในโลกที่เป็นอรูปราวจรไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเลยแม้โสดาปติมัคจิตก็ไม่เกิดขึ้นในภพที่เป็นอรูปราวจรเพราะพระสาวกทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้โดยไม่มีปัจจัยคือเสียงจากผู้อื่น และเพราะพระพุทธเจ้าและพระปเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่บังเกิดในภพอื่นจากมนุสยโลกอันหนึ่งัาศิตุปาทจิตย่อมไม่เกิดขึ้นในภพที่เป็นอรูปาวจรเพราะไม่มีกายภาษาทารูป รมณ์ปาวจรจิตในวงเล็บสิบห้าดวงย่อมไม่เกิดขึ้นในเพราะที่เป็นอารมณ์ปาวจรเพราะพวกอารมณ์ ป, ประพลมเป็นผู้เบื่อหน่ายแล้วแม้ในฌานทั้งหลายที่มีรูปนั้นเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจภาวนาเป็นเครื่องสำหรอกรูปเพราะเหตุนั้นจิตสี่สิบสามดวงเหล่านี้แม้ทั้งหมดจึงอาศัยหทัยวัตถุเท่านั้นเป็นไปทำทั้งหลายกล่าวคือมโนวิญญาณธาตุจิต สีสองประการคือจิตทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่โลกิยากุศลนจิตสิบสองดวงที่เหลือจากรูปาวจรกุศลจิตห้าดวงอากุศลนจิตสิบดวงที่เหลือจากโทสะมู ล, ลจิตสองดวงกิริยาจิตสิบสามดวงที่เหลือจากปัญจทวาราวัชนาจิตในวงเล็บหนึ่งดวง สีิตุปาธาจิตในวงเล็บหนึ่งดวงและรูปาวจรกิริยาจิตในวงเล็บห้าดวงและโลกุตระจิตเจ็ดดวงที่เหลือจากโสตปัติมัคคจิตในวงเล็บหนึ่งดวงอาศัายหทไทยวัตถุเป็นไปด้วยอำนาจปัญจโวการพบวงเล็บเปิดพบหรือภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีขันห้าครบบริบูรณ์วงเล็บปิดก็มี ไม่อาศัยหัตทยวัตถุเป็นไปด้วยอำนาจจัตุโวการะพบวงและเปิดพบหรือภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีขันสี่วงละปิดก็มีมีวาจาประกอบความว่าวิญญาณชาติจิตเจ็ดอาศัยวัตถุหก 6, ท่านกล่าวไว้ในการมาพบ วิญญาณธาตุจิตสี่เว้นวิญญาณธาตุจิตสามมีคณนะวิญญาณธาตุจิตเป็นต้นอาศัยวัตถุสามท่านกล่าวไว้ในรูปประพบมนโนวิญญาณธาตุจิตอย่างเดียวซึ่งไม่อาศัยวัตถุอะไรอะไรท่านกล่าวไว้ในอรูปประพบเชื่อมความว่าจิตสี่สิบสามดวงคือกามาวจรจิตยี่สิบเจ็ดดวงได้แก่ กามาวจรวิบากจิตวงเล็บเปิดยี่สิสามดวงวงเล็บปิดปัญจทวาราวชนจิตในวงเล็บหนึ่งดวงโทสะมูลจิตสองดวงและหาสีตุปาทจิตในวงเล็บหนึ่งดวงรูปาวจรจิตสิบห้าดวงและโศดาปฏิมาคจิตในวงเล็บหนึ่งดวงอาศัยหทัยวัตถุเท่านั้นจึงเกิดได้จิตสี่สิบสองดวงเว้นอรูปาวจรวิบากจิตในวงเล็บสี่ดวง ที่เหลือจากจิตสี่สิบสามดวงเหล่านั้นนั่นแหละอาศัยหทไทยวัตถุกเกิดก็มีไม่อาศัยหาไทยวัตถุกเกิดก็มีอรูปาวจรวิบากจิตสี่ดวงไม่อาศัยหทไทยวัตถุเลยก็เกิดได้พนานาความป ร, ริเชตที่สามในดีการอภิธรรมัทธสังคหะชื่ออภิธรรมมธวิภาวินีจบแล้วด้วยประการชนี้ พันนาความปาริเฉดที่สี่มีวาจาประกอบความว่าข้าพเจ้าในวงเล็บพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ครั้นทําการรวบรวมประเภทแห่งจิตตุ บ, บาททั้งหลายคือขันธ์สี่ประการอย่างยอดเยี่ยมคืออย่างสูงสุดโดยการจําแนกสังคหะมีเวทนาสังคหะเป็นต้นอย่างนี้ด้วยประการชนี้คือโดยนัยตามที่กล่าวแล้ว จะกล่าวโดยย่อตามกำเนิดชื่อซึ่งประวัติสังคหะคือสังคขะอันมีชื่อว่าประวัตินั้นแห่งจิตตุ บ, บาททั้งหลายในปฏิสนธิการและประวัติการที่ท่านกำหนดแล้วด้วยความต่างกันแห่งภูมิสามมีกามาวาจรภูมิเป็นต้นและแห่งบุคคลมีทุวิเหตุกะบุคคลเป็นต้นชื่อว่า อันท่านกาหนดแน่นอนแล้วด้วยจิตดวงต้นและจิตดวงหลังอย่างนี้ว่าจิตดวงนี้เกิดมีก่อนจิตทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ดวงแม้จิตทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ดวงก็เกิดมีในลำดับแห่งจิตดวงนี้ดังนี้ซ้าอีกวัตถุสังคหะทวารสังคหะและอารมพราณสังคหะ แม้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวไว้แล้วข้างต้นท่านก็วางซ้าไว้อีกเพื่อจะแสดงประวัติสังคหะให้บริบูรณ์ความเป็นไปแห่งอารมณ์ทั้งหลายคือแห่งจิตทั้งหลายในทวารทั้งหลายและในอารมณ์ทั้งหลายชื่อว่าวิสยปวัตติบทว่าตัดฐะได้แก่บรรดาหมวดหกหกหมวดเหล่านั้น พระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะแสดงว่าบัณฑิตพึงทําการประกอบชื่อวิถีจิตทั้งหลายด้วยอํานาจทวานโดยนัยยว่าวิถีคือความสืบต่อการแห่งจิตที่เป็นไปในจักขุทวานชื่อว่าจักรุทวานวิถีดังนี้เป็นต้นหรือด้วยอํานาจวิญญาณจิตโดยนัยยว่า วิถีซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับจักขุวิญญาณจิตชื่อว่าจักขุวิญญาณวิถีเพราะมีความเที่ยวไปร่วมกันโดยมีอารมณ์อย่างเดียวกันทั้งเกิดในทวารเดียวกันกับจักขุวิญญาณจิตนั้นดังนี้เป็นต้นจึงกล่าวว่าจักขุทวารวิถีดังนี้เป็นต้น บัรดิตพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าอาติมหันตังเป็นต้นดังต่อไปนี้อารมณ์ที่ล่วงไปแล้วหนึ่งขณะจิตมาปรากฏมีอายุสิบหกขณะจิตชื่อว่าอาติมหันตารมณ์อารมณ์ที่ล่วงไปแล้วสองหรือสามขณะจิต มาปรากฏมีอายุสิบห้าหรือสิบสี่ขณะจิตชื่อว่ามหันตารมณ์อารมณ์ที่ล่วงไปแล้วตั้งแต่สี่ขณะจิตจนถึงเก้าขณะจิตมาปรากฏมีอายุตั้งแต่สิบสามขณะจิตจนถึงแปดขณะจิตชื่อว่าปริตตารมอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วตั้งแต่สิบขณะจิตจนถึงสิบห้าขณะจิต มาปรากฏมีอายุตั้งแต่เจ็ดขณะจิตจนถึงสองขณะจิตชื่อว่าอาติปริตารม์ก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จักกล่าวว่าล่วงไปแล้วขณะจิตเดียวดังนี้เป็นต้นอารมณ์ที่ปรากฏชัดชื่อว่าวิภูตารม์อารมณ์ที่ปรากฏไม่ชัดชื่อว่าอาวิภูตารม์ บทว่ากระถังได้แก่โดยประการไรท่านพระอนุรุทาอาจารย์ถามว่าการกำหนดอารมณ์ด้วยอำนาจอารมณ์มีอติมหันตอารมณ์เป็นต้นจะมีได้อย่างไรดังนี้เป็นต้นเพื่อจะประกาการกำหนดอารมณ์นั้นด้วยอำนาจขณะ จ, จิตจึงเริ่มคำว่าอุปาทิติดังนี้เป็นต้น ความเกิดขึ้นชื่อว่าอุปาทขคณะได้แก่ความได้อัตภาพความสลายชื่อว่าพังคะคือความพินาศไปแห่งสภาวะความเป็นไปที่มุ่งถึงพังคะขณะในท่ามกลางแห่งอุปาทขคณะและพังคะขณะทั้งสองชื่อว่าทิติขณะก็อาจารย์บางพวกปฏิเศษทิติขณะแห่งจิต ความจริงอาจารย์บางพวกเหล่านั้นมีอธิบายความดังต่อไปนี้ในวิพังแห่งบทเป็นต้นอย่างนี้ว่าจิตเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าเกิดขึ้นอยู่หรือดังนี้ในจิตายมกปกรกอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเฉพาะพังคาขณะและอุปาทขณะแห่งจิตเท่านั้นโดยพระพุทธพจน์ว่าในพังคขณะ จิตเกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่ในอุปาทคณะจิตเกิดขึ้นอยู่และไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นต้นมิได้ตรัสติติขณะแห่งจิตไว้ก็ถ้าแม้ทิติขณะแห่งจิตมีอยู่ไซพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงต้องกล่าวว่าในทิติขณะและในพังคคคณะดังนี้ ถ้าใครๆพึงมีความเห็นว่าทิฏฐิขณะแห่งจิตมีอยู่โดยพระบาลีพระสูตรว่าความเกิดขึ้นย่อมปรากฏความดับไปย่อมปรากฏและภาวะแหง่งธรรมที่ดำรงอยู่แปลเป็นอย่างอื่นย่อมปรากฏดังนี้เป็นต้น แม้ในพระบาลีพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประสงค์ถึงเฉพาะความดำรงอยู่โดยความสืบเนื่องกันเท่านั้นเพราะภาวะแห่งธรรมที่แปลเป็นอย่างอื่นไม่เกิดขึ้นในธรรมอย่างเดียวกันและเพราะตรัสว่าปรากฏแต่หาประสงค์ถึงทิฏฐิขณะแห่งจิตไว้ไม่อันหนึ่ง เหตุในการไม่ตรัสถึงธรรมที่จะหาได้อยู่ในพระอภิธรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแม้การไม่ตรัสถึงธรรมที่จะหาได้อยู่ในพระอภิธรรมก็แสดงว่าไม่มีนั่นเองข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยในอธิบายความของอาจารย์บางพวกนั้นดังต่อไปนี้ความจริง เปรียบเหมือนแม้เมื่ออุปาทัณะและพังค์ณะแห่งจิตจะมีทำอย่างเดียวกันเป็นเครื่องรองรับอุปาทคณะก็เป็นอย่างหนึ่งพังค์ณะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นบัณฑิต จ, จึงปรารถนาการกำหนดพังคคณะที่ต่างจากการกำหนดอุปาทคณะความจริงเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ก็จะต้องพูดว่า ทมอย่างหนึ่งนั่นแหละเกิดขึ้นทำอีกอย่างหนึ่งดับลงดังนี้ฉันใดบัณฑิตพึงปรารถนาแม้การกำหนดที่เพ่งถึงพังคะขณะที่ต่างจากการกำหนดอุปาทคณะและพังคะขณะทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันการกำหนดที่เพ่งถึงพังคะขณะนั้นชื่อว่าถิติคณะแห่งจิต ก็ที่ติขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสไว้ในพระบาลีด้วยอำนาจแสดงเป็นนัยไว้โดยคล้อยตามอัธยาศัยแห่งเวนยสั์ความจริงแม้เทสนาในอภิธรรมบางคราวก็เป็นไปโดยคล้อยตามอัธยาศัยของเวนยัยสั์เหมือนทรงแสดงความเกิดขึ้นแห่งรูป แยกออกเป็นสองอย่างว่าอุปาจยะในวงเล็บหนึ่งสันตติในวงเล็บหนึ่งดังนี้ฉะนั้นก็เพราะในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขณะสามมีอุปาทคณะเป็นต้นไว้เพื่อทรงแสดงลักษณะเฉพาะสังฆตรธรรมเท่านั้นอย่างนี้ว่าดูกราภิกสุทั้งหลายสังคตาลักษณะแห่งสังคตรธรรมสามประการเหล่านี้ สามประการอะไรบ้างคือขวามเกิดขึ้นย่อมปรากฏขวามดับไปย่อมปรากฏภาวะแห่งธรรมที่ดำรงอยู่แปรไปเป็นอย่างอื่นย่อมปรากฏดังนี้เป็นต้นใครๆจึงไม่สามารถจะรู้แจ้งได้ว่าทิฏฐิขณะแห่งอสังขตธรรมที่มีความสืบเนื่องกัน ซึ่งมีสภาวะเป็นบัญญัติธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในพระสูตรนั้นก็เพราะอุปสรรคใช้ในความหมายแห่งธาตุนั่นเองบทว่าปัญญายตินี้จึงมีความหมายว่าวิญญายติวงลุเปิดอันบุคคลย่อมรู้แจ้งวงลุปิดดังนี้เพราะฉะนั้นด้วยคำอธิบายเพียงเท่านี้ ทิฏิขณะแห่งจิตจึงไม่ควรถูกคัดค้านเพราะเหตุนั้นคำนี้ว่าอุ ป, ปาทหทิฏฐิพังคะวาเสนะวงและเปิดด้วยอำนาจอุ ป, ปาทหขณะทิฏฐิขณะและพังคะขณะวงและปิดดังนี้อันท่านพระอนุรุทธาาจารย์กล่าวไว้ถูกต้องแล้ว ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมานี้พระอัตกาถาจารย์จึงกล่าวไว้แม้ในอัตกาถาว่าจิตแต่ละดวงมีดวงละสามขณะคืออุปาทคณะทิติขณะและพังคะขณะ ท่านพระอนุรุทธาจารย์คำนึงถึงว่านามธรรมเปลี่ยนแปลเร็วรูปธรรมเปลี่ยนแปลชา้าเพราะนามธรรมเป็นสภาวะรับรู้รูปธรรมและรูปธรรมเป็นสภาวะอนามธรรมพึงรับรู้สำเร็จได้ด้วยอำนาจขณะวงและเปิดมีอุปาทขณะเป็นต้นที่เปลี่ยนแปลเร็วและเปลี่ยนแปลชา้าวงและปิด นั้นนั้นดังนี้จึงกล่าวคำว่าตานี้ดังนี้เป็นต้นบทว่าตานี้ได้แก่เช่นนั้นขณะทั้งหลายดุดขณะทั้งหลายแห่งจิตสิบเจ็ดดวงชื่อว่าขณะดุดขณะจิตสิบเจ็ดวงทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเชื่อมขวามว่าขณะดุดขณะจิตทั้งหลายเหล่านั้นมีสิบเจ็ดขณะ ก็ขณะดูดขณะจิตสิบเจดดวงเหล่านั้นแยกออกเป็นห้าสิบเอ็ดขณะจิตบทว่ารูปธรร ม, มานังความว่าแห่งรูปธรรมทั้งหลายในวงเล็บยี่สิบสามประการเว้นวิญญัติรูปในวงเล็บสองประการและลักขณะรูปสามประการความจริงวิญญัติรูปสองประการ มีอายุอย่างละหนึ่งขณะจิตจึงอย่างนั้นวิญญัติรูปสองประการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในหมวดธรรมที่เปลี่ยนไปตามจิตก็บรรดาลักษณะรูปในวงเล็บสามประการชาติรูปมีอายุเท่ากับอุปาทขนาแห่งจิตและอนิจจารูป มีอายุเท่ากับพังคาคณะแห่งจิตส่วนเช่รตารูปมีอายุเท่ากับสี่สิบเก้าขณะจิตก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมานี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าเว้นวินยัติรูปในวงเล็บสองประการและลักขณะรูปในวงเล็บสามประการ รูียรูปธรรมที่เหลือย3สบสามประการนั้นวงเล็บเปิดแต่ละประการวงเล็บปิดมีอายุเท่ากับจิตส7เจ็ดดวงดังนี้ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าเพราะในอัตตกถาปฏิจจสมุปบาทกล่าวไว้ว่าด้วยถ้อยคำมีประมาณเท่านี้ขณะจิตส1อขณะย่อมล่วงเลยไปแล้ว ต่อจากนั้นปฏิสนธิจิตย่อมเกิดขึ้นในอารมณ์ที่มีอายุเหลืออยู่ห้าขณะจิตดังนี้ขณะจิตส6หขณะย่อมเป็นอายุแห่งรู ป, ปรธรรมทั้งหลายความจริงรู ป, ปรธรรมเฉพาะที่กาลังเกิดขึ้นนั่นแหละย่อมเป็นปัจจัยแก่พวังคะจารณจิตได้ดังนี้ถ้อยคำของอาจารย์บางพวกนี้นั้นไม่มีสาระ เพราะคณะจิตสิบเจ็ดดวงมาแล้วในอัตถกถานั่นเองโดยนัยเป็นต้นว่ารูปธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตต่อจากนั้นไปก็ดับลงพร้อมกับจิตดวงที่สิบเจ็ดรูปธรรมที่เกิดขึ้นในทิติขณะแห่งปฏิสนธิจิตก็ดับลงในอุปาทัคณะแห่งจิตดวงที่สิบแปดดังนี้ ส่วนในที่ใดย่อมปรากฏเฉพาะขณะจิตสิบหกดวงเท่านั้นในที่นั้นบัณฑิตแนะนำในยะไว้ด้วยอำนาจขณะจิตที่เหมาะเพื่อความเป็นปัจจัยแก่ความเป็นไปแห่งจิตความจริงโดยการกําหนดอย่างกรรมสุดรูปประธรรมแม้ที่ล่วงเลยไปเพียงขณะจิตดวงหนึ่งก็ยังมีความสามารถมาปรากฏได้แลพอที ด้วยการกล่าวโต้แย้งมากเกินไปขณะดูดคณะจิตดวงหนึ่งชื่อว่าขณะดูดคณะจิตดวงหนึ่งขณะดูดคณะจิตดวงหนึ่งนั้นแห่งอารมห้ามีรู hoy, ร whereas, ปารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ล่วงไปแล้วหรือว่าอารมณ์ามีรูปารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ล่วงเลยขณะดูดคณะจิตดวงหนึ่งนั้นไปแล้ว เพราะเหตุนั้นอารมณ์ห้ามีรูปารมณ์เป็นต้นชื่อว่ามีขณะดุดขณะจิตดวงหนึ่งล่วงเลยไปแล้วหรือว่าล่วงเลยขณะดุดขณะจิตดวงหนึ่งไปแล้วข้อว่าอาปาทมาคัตฉันติความว่ารูปารมณ์และสัทธารมณ์อยู่ในที่ของตนของตนนั่นแหละย่อมถึงความเป็นอารมณ์ได้เพราะเพราะเหตุนั้น รูปารมณ์และสัท ธ, ธารมเหล่านั้นซึ่งอยู่ในกลาบอนเนกประการย่อมมาปรากฏได้ตามสมควรแก่ความใส่ใจส่วนคันธารมรสาารมณ์และผธภาารมณ์ที่เหลือเฉพาะที่กระทบกายประสาทรูปอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งคณะประสาทรูปเป็นต้นเท่านั้นจึงเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจิตได้ เพราะเหตุนั้นคันทารลมเป็นต้นเหล่านั้นแม้จะอยู่ในกลาบแต่ละอย่างก็ย่อมมาปรากฏได้ความจริงภาษาทรูปทั้งหลายแม้ที่อยู่ในกลาบแต่ละอย่างย่อมถึงภาวะเป็นเครื่องรองรับวิญญาณจิตได้ก็ภาษาทรูปเหล่านั้นเกิดขึ้นพร้อมกับพวังคจิตซึ่งเป็นอนันตรับปัจจัยแก่พวังคจรณจิต อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าเกิดขึ้นพร้อมกับอาวัชนจิตข้อว่าทวิขตุงพระวังเคจาริเตวงเล่เปิดเมื่อพวังขจิตไว้แล้วสองครั้งวงเล่ปิดความว่าเมื่อพวังขจิตเป็นไปสองครั้งในอารมณ์ที่จิตดวงก่อนรับไว้แล้วนั่นแหละ โดยภาวะที่ไหวกล่าวคือภาวะที่เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจิตที่ไม่เหมือนการวงและเปิดมีอาวัชนะจิตเป็นต้นวงและปิดความจริงเมื่ออารมณ์กระทบประสาทรูปห้าด้วยอำนาจกำหนดส่วนที่เหมาะสมกันพวังคาสันตติเมื่อจะขาดลงด้วยอนุภาพอารมณ์ที่กระทบประสาทมิได้ขาดลงทันที ย่อมเกิดขึ้นสองครั้งแล้วจึงขาดลงเปรียบเหมือนคนที่วิ่งไปโดยเร็วแม้ต้องการจะหยุดก็นาวงเล็บต้องเลยไปเก้าหนึ่งหรือสองเก้าแล้วนั่นแหละจึงจะหยุดได้ฉะนั้นบรรดาผวังค่าจะสองดวงนั้นจิต ด, ดวงที่หนึ่งย่อมเกิดขึ้นคล้ายจะให้ผวังค่าสันตติไว เพราะเหตุนั้นจิตดวงที่หนึ่งนั้นอาจารย์ทั้งหลายจึงเรียกว่าพวังคจารณะจิตดวงที่สองเรียกว่าพวังคุปัจเฉทะเพราะเกิดขึ้นโดยอาการที่ตัดพวังคสันตตินั้นขาดลงแต่ในอภิธรรมมัทธสังคหาภกรณ์นี้ท่านพระอนุรุตท่าจารย์กล่าวถึงพวังคจิตสองดวงนั้นโดยไม่ต่างกันว่าเมื่อพวังคจิตไว้แล้วสองครั้งดังนี้ ถามว่าก็เมื่ออารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นกระทบประสาทแล้ววิญญาณจิตที่อาศัยประสาทนั้นเท่านั้นไหวถูกต้องแล้วมิเช่หรือส่วนผวังคจิตที่อาศัยหัตถ์วัตถุไหวจะถูกต้องอย่างไรตอบว่าถูกต้องแล้วเพราะเนื่องถึงเป็นอันเดียวกันด้วยอำนาจสันตติเปลือกเสมือนเมื่อมแมลงวันเกาะอยู่ที่ก้อนน้ำตาลกรวด ซึ่งอยู่ที่พื้นกลองด้านหนึ่งเมื่อบุคคลใช้ท่อนไม้เป็นต้นตีพื้นกลองอีกด้านหนึ่งเมื่อก้อนน้ำตาลกรวดสะเทือนไหวไปตามความสั่นสะเทือนแห่งหนังกรองและเชือกเป็นต้นตามลำดับแมลงวันย่อมบินไปฉันใดเมื่ออารมณ์รูปารมณ์เป็นต้นกระทบประสาทแล้ว เมื่อมหาภูตรูปอันเป็นที่อาศัยแห่งปราสาสนั้นไหวแล้วเมื่อหาไทยวัตถุไหวไปตามความไหวแม้แห่งรูปที่เหลือซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมหาภูต ร, รูปนั้นตามลำดับเพราะวังคจิตที่อาศัยหาไทยวัตถุนั้นย่อมมีความเป็นไปโดยอาการที่ไหวฉันนั้นเหมือนกันสมจริงดังคําที่ท่านอาจารย์ธรรมปาละ กล่าวไว้ในปรกรณ์สัจจะสังเขปว่าเมื่ออารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นกระทบวัตถุอย่างหนึ่งวงเล็เปิดมีจัก่วัตถุเป็นต้นวงเล็เปิดความไหวแห่งพระวังคจิตที่อาศัยวัตถุอีกอย่างหนึ่งวงเล็เปิดคือหัยวัตถุวงเล็เปิ ด, ด, ย, ด, ปดย่อมมีได้เพราะเนื่องถึงเป็นอันเดียวกัน ถ้อยคำดังนี้บัณฑิตพึงกล่าวโดยข้ออุปมาคือก้อนน้ำตาลกรวดดังนี้บทว่าพวังขโศตังได้แก่กระแสาพวังคจิตบทว่าอาวะเชนตังได้แก่กระทมความรำพึงอยู่คล้ายจะพูดว่านี่อะไรกันบทว่าปสัสสนตังได้แก่เห็นอยู่โดยประจักษ์ถามว่าก็เพราะพระบาลีว่า จักคุนารูปังทิสวาวงเล็บเปิดเห็นรูปด้วยจักสูวงเล็บปิดดังนี้จักคุณสีเท่านั้นย่อมให้สำเร็จหน้าที่เห็นในวงเล็บรูปได้ไม่ใช่วิญญาณจิตมิแช่หรือตอบว่าคำที่ท่านกล่าวนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะรูปไม่มีความสามารถในการเห็นรูปได้เพราะเป็นอายตนะมืด ก็ถ้าจากขุนศีนั้นเห็นรูปได้ไซเมื่อเป็นได้อย่างนั้นจกขุนสีที่พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณจิตอื่นวงเล็บเปิดมีโสตะวิญญาณจิตเป็นต้นวงเล็บปิดก็จะพึงเกี่ยวข้องในการเห็นรูปได้ด้วยถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญาณจิตย่อมทำทัศนกิจนั้นให้สำเร็จได้วงเล็บ หรือจะแปลว่าถ้าวิญญาณจิตทำทัศนกิจนั้นให้สำเร็จได้เพราะรูปเป็นอายตนะมือเช่นนั้นวงเล็บปิดวิญญาณจิตก็จะพึงเห็นรูปแม้ที่อยู่ภายในเพราะไม่มีอะไรขัดขวางตอบว่าแม้รูปที่อยู่ข้างในซึ่งมีแก้วผลึกเป็นต้นครอบอยู่ภายนอกไม่มีการเนื่องด้วยแสงสว่างเลย วิญญาณจิตก็ยังเห็นได้แต่ในรูปที่อยู่ภายในฝาเรือนเป็นต้นมีการเนื่องด้วยแสงสว่างวิญญาณจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีปัจจัยคือแสงสว่างนั้นเพราะเหตุนั้นจักขุวิญญาณจิตจึงรับรูปนั้นไม่ได้แต่ในพระบาลีว่าจากักขุนามีอธิบายว่าด้วยทวารนั้นอันเป็นตัวเหตุ อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกิริยาแห่งวิญญาณจิตซึ่งเป็นตัวอาศัยว่าเนื่องด้วยจกักขุปสาทรูปเป็นที่อาศัยเหมือนประโยคว่าเตียงทั้งหลายกระทําเสียงโหดังนี้ฉะนั้นบทว่าสัมปติฉันตัง ได้แก่ดุดรับรูปนั้นนั่นเองบทว่าสันติระยะมานังได้แก่ดุดกำหนดรูปนั้นนั่นเองด้วยดีปั จ, จัยอันโชนะจิตนี้ได้แล้วด้วยอานาจโยนิโสมนสิการเพราะเหตุนั้นโชนะ จ, จิตนั้นจึงชื่อว่ามีปัจจัจอันได้แล้วเชื่อมความว่าโชนะจิตดวงใดดวงหนึ่ง ในเวลาสลบหรือใกล้ตายชวนาจิตย่อมเป็นไปเพียงหกดวงหรือห้าดวงเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุตผาจารจึงกล่าวว่าเยภูยเยนะบทว่าเชาวนานุพันธานิความว่าตถ า, าลัมพนาวิบากจิตสองดวงติดตามชวนาจิตไปสิ้นการเล็กน้อยดุดกระแสน้ําติดตามเรือที่แล่นไปทวนกระแสน้ำํำฉะนั้น อารมณ์แห่งชวนะจิตนั้นเป็นอารมณ์ของวิบากจิตเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นวิบากจิตเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีอารมณ์แห่งชวนะจิตนั้นเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจลบบทในถามกลางเสียดุดในประโยคเป็นต้นว่าพรหมสโรดังนี้วิบากจิตเหล่านั้นด้วยมีอารมณ์แห่งชวนะจิตนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าตถาลัมพนวิบากจิต บทว่ายถารหังได้แก่เหมาะแก่อารมณ์ชวนาจิตและสัตว์ก็ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จากประกาศความเป็นไปเหมือนอย่างนั้นเองทีเดียวบทว่าผวังฆ่าปาโตวะความว่าจิตเป็นดุจจิตตกลงสู่ผวังเพราะไม่เป็นไปด้วยอำนาจวิถีจิต ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นด้วยอำนาจผวังคจิตก็ในอธิการนี้เพื่อเข้าใจความเป็นไปแห่งวิธีจิตได้ง่ายท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงนำข้ออุปมาด้วยผลมะม่วงเป็นต้นมาบรรดาอุปมาเหล่านั้นพึงทราบเพียงข้ออุปมาด้วยผลมะม่วงดังต่อไปนี้เล่ากันมาว่าชายคนหนึ่ง นอนคลุมโปงหลับอยู่ที่โคนต้นมะม่วงซึ่งมีผลดกตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงผลมะม่วงผลหนึ่งที่ตกลงในที่ใกล้เลิกผ้าออกจากศรีรษะแล้วลืมตาขึ้นพอได้เห็นเข้าก็หยิบมันบีบดมดูก็รู้ว่าเป็นมะม่วงสุกจึงบริโภค กลืนมะม่วงที่อยู่ในปากเข้าไปพร้อมกับเสมหะแล้วนอนหลับอยู่ในที่นั้นนั่นแหละอีกในบรรดาการทั้งเก้ามีการที่นอนหลับเป็นต้นนั้นการแห่งพวังคจิตเปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นนอนหลับการที่อารมณ์กระทบประสาทเปรียบเหมือนการที่ผลมะม่วงลน การแห่งอาวัชนะจิตเปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นตื่นขึ้นเพราะเสียงมะม่วงนั้นการที่จะขุวิญญาณจิตเป็นไปเปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นลืมตาดูผลมะม่วงการแห่งสัมปติชนะจิตเปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นหยิบผลมะม่วงการแห่งสันตีรณจิตเปรียบเหมือนการที่ชายผู้นั้นบีบผลมะม่วงการแห่งโวทัพชนะจิต เปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นดมผลมะม่วงการแห่งชวนะจิตเปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นบริโภคผลมะม่วงการแห่งกระทาลาพนธจิตเปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นกลืนมะม่วงที่อยู่ในปากเข้าไปพร้อมกับเสมหะการที่จิตเป็นพวังเก่าไปเปรียบเหมือนการที่ชายคนนั้นหลับต่อไปอีกแล ถามว่าก็ด้วยข้ออุปมานี้เป็นอันท่านแสดงอัดไว้อย่างไรตอบว่าท่านแสดงไว้ว่าอารมณ์มีหน้าที่กระทบประาสาทเท่านั้นอวชนาจิตมีหน้าที่คำนึงถึงอารมณ์เท่านั้นจะขุวิญญาณจิตมีหน้าที่เพียงเห็นรูปอารมณ์เท่านั้นและสัมปติช น, นจิตเป็นต้นมีหน้าที่เพียงรับอารมณ์เป็นต้นเท่านั้น ส่วนเฉพาะชวนาจิตมีหน้าที่เสวยรสแห่งอารมณ์และตถาลัมพนาจิตมีหน้าที่เสวยเฉพาะอารมณ์ที่ชวนาจิตเสวยแล้วว่าด้วยอำนาจหน้าที่ดังพันานามาฉนี้เป็นอันท่านแสดงถึงความที่ทำทั้งหลายไม่ปะปนกันและกันก็ จิตที่เป็นไปอยู่อย่างนี้พึงทราบว่าย่อมเป็นไปโดยอำนาจการกาหนดจิตนั่นเองเปรียบเหมือนการกาหนดฤดูและพืชเป็นต้นแม้ในเมื่อไม่มีผู้กระทาซึ่งเป็นผู้ชักชวนโดยนัยเป็นต้นว่าเจ้าจงเป็นอาวชนาจิตมีต่อจากพวังคจิต เจ้าจงทาหน้าที่มีการเห็นเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งมีต่อจากหน้าที่น้อมนึกเชื่อมความว่าด้วยอำนาจจิตตุบาทมีประมาณเท่านี้ขณะดดุดขณะจิตสิบเจ็ดดวงจึงครบบริบูรณ์บทว่าอปปโหนตาตีตะกังได้แก่ในวงเล็บ อ, อารมณ์ล่วงไปแล้วไม่พอวงเล็บเปิดเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกระทาลำพนธจิตวงเล็บปิด ข้อว่านาฏิตทาลัมพนุปปาโทวความว่าในอารมณ์ที่มีอายุสิบสี่ขณะจิตเพราะอารมณ์ดับลงเสียก่อนนั่นเองตทาลัมพนาจิตจึงไม่เกิดขึ้นความจริงในวิถีจิตหนึ่งแม้เมื่อจิตบางเหล่าที่มีอารมณ์เป็นปัจจุบันยังเกิดมีอยู่ จิตบางเหล่าที่มีอารมณ์เป็นอดีตจะเกิดมีไม่ได้แม้ในอารมณ์ที่มีอายุสิบห้าขณะจิตต่อจากชวนาจิตเกิดขึ้นไปก็ยังเหลืออยู่เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเพราะอารมณ์นั้นไม่พอเพื่อตาาลัมพนาจิตจะเกิดขึ้นสองครั้งความเกิดขึ้นแห่งตาาลัมพนาจิตดวงที่สองจึงไม่มีเพราะเหตุนั้น แม้ตถาลัมพนาจิตดวงที่หนึ่งก็ย่อมไม่เกิดขึ้นความจริงความเกิดขึ้นแห่งตถาลัมพนาจิตสองครั้งนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วในพระบาลีเพราะในวาระทั้งปวงในการนับความเป็นไปแห่งจิตวาระจิตมาแล้วสองวาระแน่นอนว่า ในตทาลัมพณะวาระวาระจิตมาแล้วสองวาระดังนี้บฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็คำที่ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวไว้ในคำพีปรมาธถวินิจฉัยว่าตทาลัมภณะจิตย่อมเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือสองครั้งอาวชนะจิตเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นครั้งเดียวดังนี้ ท่านกล่าวตามแนวมติของท่านอาจารย์ผู้กล่าวมัชฌิมนิกายก็เพราะวาทะของท่านอาจารย์ผู้กล่าวมัชฌิมะนิกายทั้งหลายถูกคัดค้านตกไปแล้วในคมพีสัมโมหะวินโนทนีเพราะเปรียบไม่ได้กับพระบาลีที่กล่าวแล้วข้างต้นฉะนั้นแม้ท่านอาจารย์วงเล็บเปิดพระอนุรุทธาอาจารย์วงเล็บปิด ก็ไม่กล่าวว่าตทาลัมพนาจิตเกิดขึ้นครั้งเดียวไว้ในปรกรณ์อภิธรรมัะสังคหานี้และในคำพีนามรูปะปริเชิดเพราะตัวท่านเองก็ไม่ประสงค์เลยท่านพระอนุรุธทธาจารกล่าวว่าเพราะแม้เชวนะจิตก็ไม่เกิดขึ้นดังนี้โดยอธิบายว่าอารมณ์ แม้มีอายุเหลือลงเพียงหกขณะจิตต่อจากวอดถับพนะจิตเกิดขึ้นก็ย่อมไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดขึ้นแห่งชวนะจิตได้เพราะเป็นอารมณ์มีกําลังอ่อนรอบด้านโดยความเป็นอารมณ์มีอายุน้อยเพราะว่าชวนะจิตเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเฉพาะในอารมณ์ที่มีอายุเจ็ดขณะจิตโดยแน่นอน ก็ตวาปัจจัยนี้ใช้ในเหตุอธิบายว่าเพราะแม้ชวนจิตไม่เกิดขึ้นแม้เมื่อกําหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ย่อมไม่ได้ความที่ตวาปัจจัยซึ่งเป็นปุพหากาลกิริยาเป็นสัพมีกัตตาเสมอกับอปรากาลกิริยาวงลอเปิดปริวัติติวงลุปิดแลบทวา่าทวิ ต, ติกัดตุง ได้แก่สองหรือสามครั้งแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าบทว่าติขัดตรงนี้มีประโยชน์เพียงความไพรเราอแห่งถ้อยคำก็คำนั้นเป็นเพียงความเข้าใจของเกจิอาจารย์บางพวกนั้นความจริงแม้เมื่อกล่าวว่าโวตถะพนะจิตเท่านั้นเป็นไปสองครั้งดังนี้ ถ้อยคำจะไม่มีความไพเราะก็หาไม่ได้แต่ในอัธกถาเป็นต้นไม่มีคำอะไรอะไรที่จะบันรอนความเป็นไปสามครั้งก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมาแล้วอย่างนี้แม้อาจารย์ผู้รจนาอัธกถ า, าภาษาสิงหลหน ก็พันานาไว้ในคำพีรธรรมาวตาลเป็นต้นนั้นๆอย่างนี้ว่าสองครั้งหรือสามครั้งข้อว่าโวตสาพนะเมวะปริวัตติความว่าโวตถาพนะจิตนั่นแหละย่อมเกิดขึ้นซ้ำๆก็ความเป็นไปแห่งจิตที่ยังไม่ถึงโวตสาพนะจิตนั้น หยุดอยู่ที่จักุวิญญาณจิตเป็นต้นในระหว่างแล้วกลับนวงเล็บเข้าพวังย่อมไม่มีก็ในความเป็นไปแห่งวิถีจิตในปริตตารมณ์วิถีนี้ท่านพระอานันทาาจารย์แสดงอธิบายไว้ว่า เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอาวชนาจิตว่าเป็นอนันตรปัจจัยแก่กุศลชวนาจิตและอกุศลชวนาจิตโดยพระพุทธพจน์ว่าอาวัชนาจิตย่อมเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่กุศลลขันธ์ทั้งหลายแก่อกุศลลขันธ์ทั้งหลายดังนี้เป็นต้นและพระโวทัพนจิต กับอาวชนาจิตวงเล็บเปิดมโนทวาราวชนาจิตวงเล็บปิดหามีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่วงเล็บเปิดคือมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันวงเล็บปิดเมื่อมีอาวชนะจิตเกิดขึ้นอยู่โวทับพนาจิตพึงเป็นไปโดยความเป็นอนันตระปัจจัยแก่กุศลชวนาจิตอกุศลชวนาจิตและกิริยาชวนจิต ฝ่ายกามาวจรโดยแน่นอนหาพึงเป็นไปโดยประการอื่นไม่เพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงกำหนดปริตตารมวิถีโดยความไม่บริบูรณ์แห่งชวนจิตเพราะชวนจิตมีกำลังอ่อนในเวลาสลบเป็นต้นไม่พึงกำหนดโดยวดถับพระนาจิต เป็นไปสองครั้งหรือสามครั้งดังนี้ท่านพระอานันทาจารย์แสดงไว้อย่างนี้แม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นกามาวจรวิบากจิตที่เป็นติเหตุกะที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้โดยความเป็นอนันต ร, ประปัจจัยนั่นแหละเป็นไปด้วยอำนาจจุติจิตแก่พระขีณาสพทั้งหลาย ย่อมไม่ถึงความเป็นอนันตรัปัจจัยแก่จิตบางดวงเพราะเหตุนั้นใครๆจึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าแม้โวโธทพนาจิตก็เหมือนกับกามาวจรวิบากาจิตที่เป็นติเหตุกะเหล่านั้นย่อมไม่เป็นอนันตรัปัจจัยแก่กุศลชวนาจิตและอกุศลชวนาจิตเป็นต้นเพราะ ปัจจัยบกพร่องเพราะฉะนั้นในคำว่าทวิติกาตุงโวทัพณะเมวะปริวัตตินั้นบัณฑิตพึงกำหนดปริตารมณ์วิถีโดยนัยะที่มาแล้วในอัตถกถาทั้งหลายนั่นแลข้อว่านัตถิวีถิจิตตุปาโทความว่าเพราะ โดยกำหนดอย่างสูงแม้อารมณ์ที่มีอายุเจ็ดขณะจิตไม่เพียงพอเพื่อโวทาพนาจิตจะเกิดขึ้นสองหรือสามครั้งความเกิดขึ้นแห่งวิธีจิตทั้งหลายจึงไม่มีอธิบายว่าจิตย่อมตกลงสู่ภวังทันที